คราวนี้นานกว่าจะได้ประชุมรวมหนึ่งเดือนพอดีนี่แหะความมีการมีงานยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดถึงความไม่สะดวกสบายในท่าดในขันผลทำให้ขาด สาระสำคัญคือการประกอบความภาคเพียรและการได้ยินได้ฟังอัตถมที่จะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นและผ่องใสแต่ก็ทำให้ขาดไป เพราะขาดทําที่กล่าวเหล่านี้เราผู้เป็นหัวหน้ามีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะให้หมู่เพื่อนได้ประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจอันเป็นตัวเหตุสำคัญให้มี ความสงบเย็นภายในตัวและมีความฉลาดรอบความคิดความปรุงความเคลื่อนไหวของตัวมากยิ่งกว่าที่จะเห็นสิง่งอื่นๆซึ่งมักจะเป็นค่าสิทธิของภาคปฏิบัติอยู่เสมอมาม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 ได้มาเฝ้าหรือแสดงตนให้โลกแห่งชาพุทธทั้งหลายได้เห็นได้ยินในวันมาฆบูชานั้นโดยมีพระอรหันต์ล้วนๆ้วึ่ัน 1,250 อองค์มาประชุมในวันนั้นคือวันเดือนสามเพนเวลาบ่าย โดยที่พระพุธทธเจ้าไม่ทร ง, ง, งรับสั่งแต่ประการใดหรือเรียกว่าไม่ได้นิมนมต์มาแต่ท่านเหล่านั้นมาตามอัธยาศัยของตนพระหนึ่งว่ามาประกาศผลแห่งการประพฤติปฏิบัติและประกาศความเลิดลือแห่งธรรมของพระพุธทธเจ้า ให้โลกได้เห็นในเวลาเช่นนั้นซึ่งมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีซ้ำซ้ำ ซ, กซากษาอีกเลยผลที่ท่านได้มาแสดงให้โลกเห็นเช่นนั้นท่านได้มาจากอะไรในหลักธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศสอนไว้แล้วอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังเป็น รากเง่าเข้าหมูลจริงๆคือการปฏิบัติจิตตะภาวนาล้วนลวนถือเป็น <c oughs> จิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายกับความเพียรเพื่อชำระ ก, กิเลสนั้นจริงๆผลจึงปรากฏให้โลกได้เห็นจะเพาะในวันนั้นมีพร ะ, ระหัน 1 2 5่องค์โดยไม่มีพระปุตุชนเข้ามาเจือผลแม้เพียงรูปหนึ่งหรือองค์หนึ่งเลยนี่ล้วนแล้วแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจิตตภาวนาของท่านนี่แหละคือผลแห่งการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาที่ประธานไว้ มีผลประจักษ์ให้เป็นที่ภูมิใจสำหรับผู้ได้รู้ได้เห็นผู้ที่ได้ทรงไว้ซึ่งธรรมดังกล่าวนั้นจนถึงวิสุทธิธรรมเราจึงอยากพบอยากเห็นการประกอบความภากเพียรของหมู่คณะที่มาอาศัยอยู่ในสถานที่นี้ ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความสนใจจริงๆไม่มีงานอื่นงานใดเขามายุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งงานเหล่านี้ส่วนมากมักจะเป็นสิ่งที่มาทำลายความภาคเพียรของเราให้เสียไปวันละเล็กละน้อยสุดท้ายก็มีแต่ ง, งานเหล่านี้ออกหน้าออกตาในพระเนรูปหนึ่งหนึ่งในวัดหนึ่งหนึ่ง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 ของโลกเขาทำกันอยู่ทั่วๆไปไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดอันใดเลยแต่แล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้ามาเป็นเนื้อเป็นหนังในวงพระสักสนาเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในวัดในวานในพระเนรผู้ปฏิบัติของเราจนได้นั่นแหละงานอันนี้รู้สึกว่าออกหน้าออกตาจริงๆเหมือน ว่าแสงพระโอวาทคำสั่งสอนของพระเจ้าไปทุกระยะที่ทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญทางด้านจิตตะภาวนาในตำลับตำลามีมากต่อมากเด่นที่สุดก็คือด้านจิตตะภาวนาที่พระองค์ท่านประธานพระโอวาทแก่พระสงฆ์ทั้งหลายในครั้งพูทจการการจดจลึกก็จดจลึกมาจาก ความเป็นจริงที่พระองค์ทรงดำเนินและประกาศสอนไว้เรื่อยมาจนกระทั่งวันปรณิผ่านพระอาวาตเหล่านั้นถูกจดจารึกมาได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังจดจำมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบนันนี้แต่ไม่ค่อยจะถึงใจและไม่ถึงใจของผู้ศึกษา และนักปฏิบัติทั้งหลายจึงทะเลไหลไปนอกรูนอกทางที่พระองค์ท่านตำหนิติเตียนอยู่เสมอพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านมาจากสถานที่เช่นไหลที่กล่าวมาว่าพ2 5สองหสบองค์นั้นท่านอยู่ในที่เช่นไหลตามตำหรับตำลา มีตั้งแต่อยู่ในป่าในเขาที่สังัดวิเวศิยาบทต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรชำรักษ์ที่เลนจนกระทั่งถึงเดอรับผลเป็นที่พอใจมานี่เป็นทางที่ถูกต้องดีงามถึงกับได้ผลประกาศออกมาให้โลกเห็นในวันมาฆบูชา นอกจากนั้นก็ยังมีอยู่มากมายบรรดาพระสงฆ์สาวซึ่งว่นแล้วแต่เป็นผู้ประกอบทางด้านจิตตภาวนามากกว่าในงานใดๆทั้งสิ้นเราผู้ปฏิบัติถ้าไม่คำหนึ่งและดำเนินตามทางที่พระองค์ประกาศสอนไว้แล้วนี้ก็ายากที่จะได้ประสบพบเห็นแม้ที่สุดความสงบเย็นใจเพียงขั้นสมาธิ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 เช่นการก่อสร้างการขวัญขวายในแง่ต่างๆอันเกี่ยวกับด้านมัตถุซึ่งขัดกันกับทางด้านจิตตะภาวนานี่ปรากฏว่าเด่นมากทีเดียวถ้าเราจะพูดในวงปฏิบัติสำหรับผู้สังเกตจอดรู้จิตจริงๆแล้วเราจะเห็นความผลักดันของกิเลส ที่ไม่ชอบให้เราประกอบความภาคเพียนเพื่อกำจัดมันนั้นจริงต้องผลักดันให้ออกให้คิดในแง่ต่างๆสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีโดยอาศัยศาสนาว่าสัมมากรัรมมันตะว่าเป็นการงานชอบนั้นเป็นโลมาบาังหน้าแล้วผลักใสเราให้ออกนอกรูนอกทางไปโดยการ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 ที่กิเลสมันผลักดันออกมาให้ออกนอกลูก่นอกทางแห่งความเพียรเพื่อชำระมั น, นเราจะเรียกอะไรท้าไม่เรียกว่ามานของความเพียรเราไม่ต้องว่ามานกว้างๆที่ไหนละมานแห่งความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสคือกิจนั้นงานนี้ทะเลถลาลออกไป พอจะหันหน้าหรือย้อนกระแสะกิจเข้ามาสู่ตัวเหตุอันสำคัญคือใจที่เต็มไปด้วยความคิดปรุงในแง่ต่างๆซึ่งถูกพักดันออกมาจากกิเลสนั้นมันดิ้นดนกวนกวายเหมือนจะเป็นจะตายนั่งภาวนาก็คอยนับแต่วเวลาเวลาคอยสังเกตดูตง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 ได้พอประมาณและได้เป็นที่พอใจเนื่องจากมันมีสิ่งต่อต้านกันอยู่ภายในจิตใจโดยเจ้าตัวก็ไม่สนใจและไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งต่อต้านที่จะให้เราก้าวเดินเพื่ออั ด, เ พ, ออดเพื่อทาเพื่อสมาธิปัญญาและเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องถูกสิ่งเหล่านี้กีดขวางผลักดันอยู่ตลอดเวลา ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายลองใช้ความสังเกต ด, ดูความผลักดันของที่ให้จิตคิดในแง่ต่างๆเพื่อออกนอกรูปนอกทางนั้นเป็นอย่างไรมีไหมภ า, ายในจิตใจของพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจจริงๆแล้วอย่างไรก็ต้องได้รบกับสิ่งเหล่านี้ เป็นพื้นฐานแห่งการประกอบความภาคเปลี่ยนจริงๆได้รบกับมันอยู่ตลอดจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปเมื่อสิ่งเหล่านี้อ่อนตัวลงไปใจก็เกิดความสงบเย็ยนได้ที่ใจไม่สงบก็เพราะความคิดเหล่านี้แหละที่เป็นมารต่อความสงบเย็ยนใจของเราจะเป็นอะไรที่ไหนไปเราจะไปหามารที่ไหน ถ้ามาหาสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในจิตใจและทําลายความสงบเย็นใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกิดขึ้นได้นี่จะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ความคิดสังขารที่ปรุงขึ้นอยู่ตลอดเวลาในแง่ต่างๆนี่เท่านั้นจะเป็นอะไรไปผู้ปฏิบัติต้ตองได้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 ถ้าไม่ได้ใช้ความพิจารณาอย่างนี้อย่างไรก็ไม่เจอความสงบเย็นใจได้แล้วเราไม่ทราบว่ามานที่ขีดขวางทางเดินเพื่อความอย่างน้อยเพื่อความสงบคืออะไรเราจะไม่มีทางทราบได้เลยนี่แหละมานของการปฏิบัติธรรมงานของสมาธิงานของปัญญาหรืองานของอมานของสมาธิมานของ ปัญญามานของมรรคผลนิพพานจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ความคิดที่สอดแทรกสอดแทรกอยู่ภายในความเพียรของเราโดยเป็นเรื่องของสมุทยแล้วจะเป็นอะไรไปอนี่แหละสมมุทยมันแทรกอยู่อย่างนี้ละเอียดไหมท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้พิจารณาบ้างหรื อ, อยังสิ่งวันนี้ที่กล่าวเหล่านี้ได้พิจารณาแล้วท่านั้นยึงได้นํามาพูดให้ ท่านทั้งหลายฟังไม่ใช่ไม่ได้พิจารณาและพร้อมทั้งการได้รบกันอย่างเต็มที่เต็มฐานอีกด้วยจนเห็นเหตุเห็นผลกันถึงกับขั้นพอฟัดพอเหวี่ยงและสิ่งเหล่านี้เหมาะสราบลงไปปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาที่จะก้าวเดินเพื่อห้ามหันหรือสังหารสิ่งเหล่านี้ให้ลดน้อยลงไปโดยําดันบนั่น ในวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้ทั้งๆ ท, ที่เป็นสำนักปฏิบัติเป็นวัดปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติแต่ความเคลื่อนไหวแห่งผู้ปฏิบัติกลายเป็นเรื่องทำลายตัวเองทำลายอัตธรรมสมาธิปัญญาไปโดยลําดับลำดายอยู่เรื่อยมาอย่างนี้เราจะหาความสงอบเย็ยนใจและมรรคผลิพานที่ไหน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 เป็นมาอยู่อย่างนี้และจะเป็นไปข้างหน้าลรวหวังอะไรสิ่งใดที่เป็นภัยต่อเราอยู่เวลานี้ถ้าไม่ใช่ความชิดความปรุงที่กลุกเรื่องขึ้นมาทำลายเจ้าของอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้จะเป็นอะไรไปนี่แะการปฏิบัติศาสนาหรือปฏิบัติจิตตภาวนา จึงต้องย้อนใจนิดจ่อสติและปัญญาลงที่ต้นเหตุบอ่อเหตุคือใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้ได้บรรจุสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งจะต้องผลักดันออกมาอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีสติจะมีแต่เรื่องสังขารที่เป็นส่วนสมุทายนี้เท่านั้นทำงานอยู่ตลอดเวล่ำเวลา การทำงานของสมุไทยไม่ทำงานเพื่อความสงบเย็ยนใจนอกจากเพื่อความฟุ้งซ่านลํำคาญแล้วขนทุกมาเผาตัวข้างเราโดยไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวเลยเท่านั้นไม่เห็นมีสิ่งใดจะเลิศเลอเพราะความปรุงแต่งของกิเลสสมุไทยเหล่านี้นี่จึงทำให้วิตกปีจา์ การประพฤติปฏิบัติของเพื่อนสูงที่ดูลักษณะอ่อนออ่นแอในการประกอบความภาพเปลี่ยนอืมากอยู่ไม่น้อยทําไมจึงทราบว่ามากว่าไม่น้อยก็เคยปฏิบัติอยู่แล้วเหมือนกันก่อนที่จะได้มารับความเสีกสันต์ปัญนยอของเพื่อนสูงและประชาชนว่าเป็นครูเิ็อาจารย์ได้เคยฟัดเคยเหยี่ยงกับสิ่งเหล่านี้มาแล้ว ขณะที่สติปัญญาอ่อนความเปลี่ยนอ่อนเป็นอย่างไรเรื่องของกิเลสมีแต่คอยจะลุกหน้าคืบหน้าเลื่อยไปไม่มีคำว่าอ่อนกํหลังด้วยการปล่อยตามใจให้มันคิดตามเรื่องของมันนอกจากจะมีความเข้มแข็งทางความภาคความเปลี่ยนหาอุบายวิธีการต่างๆพลิกแปลงปพปปลงิบแผงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขม เพื่อจะต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆที่คิดที่ปรุงขึ้นภายในิจใจของตัวเองนั่นแหละอย่างน้อยให้สงบตัวลงไปพอใจได้รับความเย็นใจบ้างก็อย่างหนนี่ท่านเรียกว่าสมาธิหรือสมาถะธรรมการปฏิบัติธรรมถ้าไม่เห็นความสงบเย็นใจจนปรากฏเป็นความสง่าราศีขึ้นภายในตัวเองแล้ว เราจะหวังพึ่งอะไรในตัวของเหล่านี้มีอะไรก็หนังเนื้อเองกระดูกหุ้มห่อกันอยู่เพียงเท่านั้นผิดอะไรกับโลกของเขาสิ่งที่เป็นที่ภูมิใจภายตัวของเหล่านี้ก็คือจิตเป็นผู้ทรงธรรมไว้ได้ด้วยการประกอบความภาคเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอเป็นผลให้ทราบชัดภายนจิตใจมีสมระถธรรมเป็นพื้นฐาน คือความสงบเย็นใจเพียงเท่านี้เราก็ภูมิใจว่าใจเราได้รับความสงบเย็นไม่ดิ้นรนกระวนกระวายเหมือนโลกทั่ ว, วไปที่เขาไม่ได้สนใจประกติป ฏ, ปฏิบัติอัธรรมเลยเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้ชมอัดชมรรมภายในใจิตใจของตนด้วยความภาคภูมิใจตั้งแต่ขั้นนี้ขึ้นไปเมื่อความอุตสาห์พยายามไม่หยุดไม่ถอยเพราะ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 ประเภทต่างๆซึ่งอาการใดแสดงออกมามีแต่อาการหลอกลวงต้มตุ๋นทั้งนั้นภายในร่างกายของเรามีชิ้นไหนที่กิเลสมันไม่สังหมอนมีชิ้นไหนที่กิเลสมันไม่ว่าดิบว่าเป็นของดิบของดีเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรมั่นคงเป็นของยั่งยืนมีที่ตรงไหนจุดไหนมีแต่เรื่องมันปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมาด้วย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 พุ่งทะลุเข้าไปสู่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงอยู่แล้วทรรมก็พิจารณาตามความจริงก้าวเดินตามความจริงถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังในร่างกายของเหล่านี้ตรงไหนที่เป็นของสะอาดสะอาดเป็นของสวยของงามมีที่ตรงไหนนี่ทรรมท่านบอกไม่มีเพราะไม่มีจริงๆนั่นถ้าพูดถึงเรื่องทุกทุกขัง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 ที่มันเกิดนั่นให้เบาบางลงไปบ้างพอทรงตัวอยู่ได้ในวันหนึ่งหนึ่งนี่ท่านเดียกว่าทุกขังจริงหรือไม่จริงพิจารณาที่กิเลสมันเอาความสุขที่ไหนมาให้เสกสรขึ้นมาเมื่อผิดจากความจริงแล้วมันจะต้องปีนเกลียวกันกับความสุขกลายเป็นเรื่องความทุกข์ไปทั้งนั้นคำว่าอนิจจังก็เห็นกันอยู่นี่เห็นอยู่ภายในตัวของเราหายใจเข้าหายใจออกมันเที่ยงเมื่อไหร่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 แผ่นดินทั้งแผ่นก็ตามเถิดจะต้องพังทลายลงด้วยความจริงเพราะความจริงนี้มีอำนาจมากที่สุดไม่มีอะไรเกินความจริงไอ้ความจำปลอมอ ม, มีเท่าไรพังทั้งนั้นฟังแต่ว่าจมปลอมเถิพังทั้งนั้นพังทั้งนั้นถ้าความจริงได้เข้าถึงไหนสิ่งจมปลอมร่อมพังไปด้วยกันทั้งนั้นเมื่อมีสติปัญญาพิจารณาตามหลักความจริงด้วยความแก่กล้าสา ม, มารถเพียงไรแล้ว สิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดตามเรื่องกิเลสหลอกลวงนั้นจะค่อยคลายตัวออกมาคลายตัวออกมาจนสลัดปัดออกได้ออกลายเป็นความสุขเพราะความไม่แบกไม่หามสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพาในจิตใจของตนนี่แหละทันแบบปล่อยอุปาทานอุปาทานคือความแบกความหามอันเกิดขึ้นมาจากความสําคัญมั่นหมายนั่นเองมันทิ้งไปยึดไปถือทั้งทั้งที่ ดินก็รู้กันอยู่แล้วว่ดดินมันไปยึดหาอะไรเ mm. นี่ยเปยัง ไ, ไงใจของพวกเราผู้ปฏิบัติให้จิเรศมันหลอกอย่างสดๆดร้อนร้อน mm. พิจารณาสินี่คือเรื่องปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงส่วนที่จะคอยขัดคอยเย่งเราซึ่งเคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้ว มันต้องขัดต้องแย้งอยู่ตลอดเวลาต้องสู้กันกับสิ่งเหล่านี้แหละคือความจอมปอมนั่นแหะมันมาขัดมาแย้งให้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งๆที่มันไม่เป็นมีแต่ลมแต่แรงเสียดสันเราเฉยเฉยมันก็มาขัดมาแย้งถ้าสติปัญญาไม่ทันก็หลงตามลม่มจมไปตามมันจนได้ไม่สงสัยนี่คือเรื่องของปัญญาแห่งผู้ปฏิบัติ <c oughs> วันหนึ่งวันหนึ่งเรามีงานอะไร นักบวชเรามีงานอะไรมีแต่งานชำระซักฟอกจิตใจของตนให้กิเลสทั้งหลายเบาบาง ล, ลงไปจนกระทั่งถึงหมดสิ้นไปจากใจด้วยความเพียรของเหล่านี้เท่านั้นแล้วมีมีงานอะไรเข้ามาแทรกมาขัดมาแยง้งถ้าไม่ใช่เราหาเรื่องใส่ตัวเองหาจับปืนจับไฟมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนวุ่นวายไปเท่านั้นไม่เห็นมีอะไร ที่จะมาขัดมาเยื่นเราไม่ให้ประกอบความภาคเพียรได้ด้วยความเต็มเอเต็มอกเต็มใจและได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วดูสิวันหนึ่งวันหนึ่งมีงานมีการอะไรบินทบาทก็ล้นบาทเหลือบาทมาจะฉันกเท่าไหร่ก็ได้แล้วฉันแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาบังคับบัญชาให้ไ ป, ต, ไปนนต้องไปทํางานนั้นต้องไปทํางานนี่เหมือนอย่างโรคสงสารเขา มีแต่การประกอบความภาคเพียรฉันอยู่ก็เราก็ทำได้ทำความเพียรไม่มีการบังคับเพราะการประกอบความเพียรมีอยู่ทุกขณะจิตของผู้สนใจที่จะพิจารณาได้ทุกขณะจิตที่จะพิจารณานอกจากเราไม่สนใจเสียเท่านั้นแล้วก็หาเรื่องหาลาว่าอันนั้นมายุ่งอันนี้มายุ่งก็เรื่องของกิเลสมันต้องยุ่งตลอดเวลานั่นแหละมันพาใครให้สงบร่มเย็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเรารู้ไหม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 เพราะเป็นส่วนขาธรรมที่ตัดไม่ชอบแล้วเอาอะไรไปคานพระสาวกทั้งหลายร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังสถานที่อยู่คือป่าคือเขาลำนาไพรการประกอบความภาคเพียรเป็นจิตเป็นใจพึ่งเป็ น, ปนพึ่งตายกับการประกอบความเพียรอย่างแท้จริงการต่อสู้พิเรศก็เหมือนกันสู้เอาถึงเป็นถึงตาย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 มาเหมาะจะหมดทั้งตลาดภายในใจของเรามีแต่ตลาดของงานยุ่งไปหมดงานนั้นแล้วงานนี้งานนี้แล้วงานนั้นปรุงไปหมดหาความปรุงเป็นอัดเป็นธรรมไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเข้าไปตีตลาดภายในหัวใจของพระผู้ปฏิบัติเราจะบังเอามมรรคนิพพานที่ไหนมีมันก็มีตั้งแต่ความเล้วไหลเหลี้ยวแหลกเต็มหัวใจเรานั่นแหละแล้วเราจะเป็นที่พึงใจที่ตรงไหนสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย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 พร้อมกับแบบ ก, กองทุกุมามากน้อยเพียงไรตั้งแต่กลับไหนกันใดนับไม่ได้เลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มันจะยุตสิ้นสุดยุติกันที่ตรงไหนเรื่องกองทุกเหล่านี้ถ้ากิเลสอันเป็นเหตุผิดทุกข์ขึ้นมามันยุติลงได้ทุกข์ก็เป็นอันบ้าหมดสิ้นไปความเกิดเกิเจ็บตาทั้งหลายดังที่ท่านวัดชาติปิฎูขาชราปิฎูขามานำไป ข, ขังซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะอำนาจของความเกิดและมีเพราะเชื้อแห่งสิ่งที่พิพาเกิดมันมีอยู่ ภายในจิตใจนี้นี่ได้สังหารกันลงไปแล้วมันจะอะไรมาเกิดเยพังที่นี่แหละตรงนี้อตรงสําคัญทีจ่จุดที่รวมแห่งกองทุกทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ก็คือกิเลสเป็นผู้ประมวลเป็นผู้ผิดขึ้นมาพภาณจิตใจดวงนี้เองนี่ถึงไม่นับก็าตามมันรู้จุดประจักษ์เอาปัจจุบันจิตนี้เป็นสักขีพยานย้อนหลังเข้าไปกี่กับกี่กันก็เข้าใจในจุดนี้หมด ไ ม, ไม่ไม่เดรนอกเหนือไปจากจุดคือตัวเหี้ยอันสําคัญได้เจริตที่มีอวิชาฝังจมอยู่นี่เลยอวิชาคือเชื้ออันสําคัญนี่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี่คือกิเลสตัวสําคัญที่สุดละเอียดแหลมคมมากที่สุ ด, สดจึงเรียกว่ากษัตริย์วัตกิจจะได้เกี่อะไรถ้าไม่ได้เจรจิตได้เกี่อวิชาดวงนี้นี่ประมวลเข้ามาผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะสามารถประมวลสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องไปถามใครและพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้ว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 นี่เรื่องภพชาติอะไรเป็นสาเหตุกําหนดลงไปดูที่นั่นมันก็กระจ่างแจ้งอยู่แล้วอะไรเป็นพบชาติต้นไม้ภูกเขาไม่ได้เป็นพบเป็นชาติไม่ได้มาสร้างความทุกข์ความระบาก้นอกจากกิเลส ท, ที่ฝังอยู่ภายใน จ, ใจิตใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนักความเพี้ยนอย่างลงที่ตรงนี้ที่นักปฏิบัติเมื่ออย่างลงไปตรงตร ง, ตรงนี้แล้วยังไงก็ประมวลเข้ามาได้ละเา้าเคยเกิดมากี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันก็เอาเกิด มาผ่านมาแล้วที่อนาคตจะเป็นอย่างไรตัดลงในวงปัจจุบันให้าขาดสะ บ, บัน้นอนาคตจะมีไปไม่ได้ถ้าปัจจุบันไม่สูงเงื่อนให้ไปเกิดปัจจุบันนี้ได้ฟันลงอย่างขาดสะ บ, บั้นพันแหละไม่มีเหลือแล้วภาย ใ, ใจิตใจกระจางแจ้งขึ้นในที่นี้ไม่ต้องถามใครแล้วพูดแล้วสาธุเลยบรรดาพระสาวกอรหันทั้งหลาย ว่าไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าทูลถามอย่างไรพระความจริงอันเดียวกันสอนลงเพื่อความจริงนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นก็คือพระโอาวาทของพระพุทธเจ้าสันทิติโกอย่างสุดยอดก็ตรงนี้จะเป็นที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าก็สันทิติโกสุดยอดพระไทยในตรงนี้ภาษาวอกก็สุดยอดที่ตรงนี้รับประกาศกลางวานขึ้นพระด้วยความจริงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นที่ดวงใจดวงนี้ดวงเดียวนี้เท่านั้นนั่นปดแล้วทุกที่นี่อ้าว เรื่องที่จะไปเกิดไปตาที่ไหนหมดมันรู้เองจะไหวยังไงนั่นนี่แหละการที่จะสังหารเรื่องความถูกให้สังหารอย่างนี้อะไรเป็นตัวเหตุก็พูดแล้วมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนถึงไหนพิจารณาประมวลเข้ามาประมวลเข้ามามเรียกว่าปัญญานี่แหละปัญญาเป็นของสําคัญมากทีเดียวนี่การใช้ปัญญาใช้อย่างนี้เวลาใช้ปัญญาเอาจริงเอาจังเต็มเม็ดเต็มหน่วยสติ กำลังบังชามีเท่าไรโหมตัวเข้าไปยาเสียดายทุกยาเสียดายทีเลสสมูทยัยคือความขี้เกียจขี้ค้านความทอดแท้อ่อนแอความถลเอถลเอซึ่งเป็นเรื่องของสมูทยัยลากจิตใจของเราออกไปนอกรูนอกทางทั้งนั้นนี่เคยเป็นมาเท่าไหร่แล้วผู้ปฏิบัติไม่ทราบใครจะทราบผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นพระพุทธเจ้า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 ไ อ, อ้เรื่องกิเลสตัณหาใช่ไหหรือเรื่องดิ้นลนกังวลกระวายกวาดแปรกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยุ่งเหยิงในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของสมณะผู้ปฏิบัติธรรมเลยคือผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวสําคัญอยู่ภายในจิตใจด้วยความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยสลัเป็นสลัตายลงไปนี่เท่า น, านั้น เป็นผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลได้โดยสมบูรณ์ดังครั้งพุทธการท่านทรงมาแล้วเพราะธรรมนี้เป็นธรรมสดสดร้อนๆ้อนที่พระเจ้าทรงแสดงไว้แล้วมีไม่มีปีกแวะไม่มีผิดไม่มีเคลื่อนคลาดจากหลักความจริงที่ทรงดําเนินมาแล้วและเห็นผลเป็นที่พอประทัยมาแล้วเลยกรงแนวต่อความพ้นทุก์อย่างเดียวกันถ้าเรานํามาประพฤติปฏิบัติยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิงไม่ให้ที่เหลือมันมาปัดมือออกเสียแล้วถักสายออกจาก ออกนอกรูนอกทางประเสียเท่านั้นหลังอย่างไรก็ไปไม่พ้น เ, เ, เรื่องมะผลิพานเพราะรออยู่แล้วตามความจริงของผู้ปฏิบัติที่จะก้าวเข้าไปสู่จุดนั้นนี่มันสําคัญที่การปฏิบัติจิตใจแล้วหล่ะแหลกหาความสัตย์ความจริงไม่ได้นี่สมันมีแต่เรื่องของกิเลส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 ไม่ใช่สติปัญญาเรื่องโลกโลกที่กิเลสมันผิดให้นั้นแต่เป็นสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากหลักธรรมตรงที่สูงแสดงไว้แล้วนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติตัวตัวเองจนกลายเป็นสมบัติของตนขึ้นมาเป็นสติของตนปัญญาของตนโดยแท้นั่นแหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละพวกเราบกพร่องมากที่สุดก็บกพร่องตรงนี้ผลของศาสนา ผลของผู้ปฏิบัติไม่ปรากฏเลยนี่อย่างไรพวกเรามีแต่ชื่อพระกรรมฐานพระตุดวงกรรมฐานแต่มรรคผลนิพพานที่ควรแก่วงปฏิบัติของเรามีหรือไม่มีนี่สิมันสาคัญเราอยากจะพูดว่ามันไม่มีถ้าความเพียรอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้มันจะมีไม่ได้เพราะถูกกิเลส ตบพิเกลีตติเลีตปัดออกอยู่ตลอดเวลามันไม่เข้าช่องเข้าทางพอจะฟันหัวกเกลีตได้มีแต่กเกลีตจับเครื่องาสตราวุนนั้นมาฟันหัวเราซะโดยไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวทั้งๆ ท, ท, ที่ประกอบความภาคเปลี่ยนอยู่นั่นแหละอันนี้มีจำนวนมากนี่เราจะว่าเราเราจะเห็นมาอยางไงก็เพราะเราโง่ ก, กว่าเลีตนั่นสิมันถึงไม่ทัน เพลสติปัญญาขึ้นเอาอบรมสติปัญญาขึ้นให้ดีสืบเนื่องกับประเดิมดับสติให้สืบเนื่องปัญญาก็ใช้ความพิจิตพิจารณาเข้าไปดังที่กล่าวเนี้ยฐานที่ทํางานสถานที่ทํางานของปัญญาคืออะไรก็พูดแล้วตะ ก, กี้นี้อืยกร่างกายนี้ขึ้นแล้วมันจะกระจายไปหมดถึงพวกนามธรรมา ท, ทั้งหลายนี่ล้วนแล้วแต่เป็นที่ทํางาน ของปัญญามีน้ำซ้ำยังเป็นหินลับของปัญญาได้อีกให้พิจารณามากเท่าไรปัญญายิ่งข่มก้าพิจารณามากเท่าไรปัญญายิ่งเฉียบแหลมสามารถที่จะแทงทะลุเข้าไปในกิเลสส่วนละเอียดทำส่วนละเอียดตามกันเข้าไปตามกันไปจนกระทั่งถึงสังหารกิเลสได้นี่นี่แหละมันทันทีนี่ไอ้เรื่องอะไรที่จะแสดงออกมากิเลสมันแสดงมาในแง่ในมุมไหนทันกันทั้งนั้นไม่ทันฆ่าไม่ได้ไม่ทันสังหารไม่ได้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 ด้วยความเห็นภายในทุกจริงๆจึงต้องสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มบทเต็มบททําจึงเป็นสวกคาธรรมชอบแล้วชอบแล้วเอามาทนี้เถอะมานี้เถอะหรือให้ดําเนินอย่างนี้อย่างนี้นี้จะไม่เป็นอื่นจะหลุดพ้นไปโดยลา ด, ดับเหมือนเป็นอย่างนั้นนะเห็นคุณก็พระองค์ทรงคุณค่าอันเลิศประเสริฐอยู่แล้วภายในพระไทยทั้งเห็นคุณทั้งเห็นโทษมีน้ําหนักเท่ากันในพระทัยของพระพุทธเจ้าเพราะประจักด้วยกัน การแนะนำสั่งสอนโลกเพื่อหนีจากโทษทั้งหลายก็สั่งสอนด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อคุณทั้งธรรมทั้งหลายมีความบุดพ้นหรือวิมุตติธรรมเป็นต้นก็ทรงสั่งสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดบังลี้ลับเปิดเผยไปหมดทุกแง่ทุกมุมผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติ ด, ด้วยความจัดความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามาเสด็พระพุทธเจ้าทัานดังที่เราเห็นแล้ว ซึ่งกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าพระอรหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหนั้นท่านสำเร็จเป็นวิสุทธิบุคคลล้วนๆทีเดียวท่านเหล่านี้แลลวเป็นผู้พ้นภัยอย่างแท้จริงพ้นจริงๆไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนโลกทั้งหลายาทั่วไปคือสามแดนโลกธาตุนี้เลยนี่พ้นจริงๆเราปฏิบัติเพื่อความพ้นจริงๆหนีทุกจริงๆไม่ให้ทุกติด ซอยห้อยตามได้ทันเลยเหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เราจะปฏิบัติอย่างไรหรือจะปฏิบัติแบบรุ่มร่อ น, อนจรจร น, นอนนอนขี้เกียจขี้คร้านเต็มไปหมดในตัวของพระของเลนนี้เหรอือพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ทั่วไปในโลกไหมสงสารเป็นของอาชจรรย์ที่ไหนมีนอกจากความขยันมันเพียงความมุตสาพยายามของเราใช้ความคิดความพิจิตพิจารณาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามอัตธรรมที่ทรงสอนไว้นี้เท่านั้นจะเป็นทางสายทางให้พ้นทุก โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและขั้งพุทธการท่านทรงกันไหมในธรรมทั้งหลายอันเลิ่อเรือดังที่กล่าวมาแล้วนี้ธรรมเหล่านี้แสดงไม่เพื่อใครพุทธบริษัทคือใครถ้าไม่ใช่เหล่าภิกษุบริษัทก็หมายถึงเราผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นทำลําเอียงที่ตรงไหนไม่มีคําว่าลําเอียงทกิเลสก็ไม่เอียงถ้าผิดมันก็ฟันเราเลยถ้าถูกเราก็ฟันมันได้เลยเหมือนกันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อย่ามาลหลอกและนะครับทางพระออกมากขึ้นทุกวันเน้นมากขึ้นทุกวันเอ๊ะอัดกันไปหมดอัดกันเหมือนปลาในกระป๋องคุณธรรมที่จะทรงเป็นมากเป็นผลไม่มีนี่ว่างไงมันจะไม่พออกแตกแล้วเหรือผู้ปฏิบัติธรรมหาธรรมพานใจไม่เจอมันมันก็อกแตกกัสิจะว่าไงสมาธิธรรมคือความสงบใจก็ไม่มี ปัญญาทมความเฉลียวฉลาดให้ทันกลมยายของกิเด็ถ้าเด็ปไปเดิมดับดับก็ไม่มีแ่มรรคผลนิพพาน ท, ที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้เพื่อจุดนั้นจะเอามาจากไหนถ้าไม่เอามาจากสายเดทางเดินที่ถูกต้องดีงามนี้เท่านั้นเวลานี้ศาสนาเป็นอย่างที่ว่านี้แล้วนะ ถือว่าเรื่องวัตถุนี้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นรากเป็นฐานจริงๆยิ่งกว่าการแบบคติปฏิบัติจิตใจให้เป็นรากเป็นฐานด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความสงบร่มเย็นทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานอย่างนี้จะไม่มีแล้วนะเวลานี้มีแต่ชื่ออเลยเป็นสัตว์จะกลายเป็นศาสนาประเพณีพ่อขี้เหร่พาให้เป็นประเพณี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 นศาสนาก็มีแต่ชื่อแค่จะทำอย่างไรไหนที่ไหนเราดูสิความเคลื่อนไหวของศาสนามีแต่ตะยุ่งเหยิงวุ่นวายควรบ้านควรเมืองไปหมดคนนั่นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้มีตั้งแต่เรื่องควรกังดูจังหวใจที่มันยุ่งรุ่งวุ่นวุ่นวาวาอยู่เวลานี้ไม่ดูแก่ตรงนี้แล้วมันสงบเย็นใจ การอยู่การกินการไปการมาปัจจัยทั้งสี่ไม่ว่าโลกว่าธรรมคือไม่ว่าครว่าไม่ว่าพระว่าเนงพอเป็นพอไปแล้วสมายคนเราไอาเรื่องความเรื่องความฟุ้งเฟอ้อเหวมไม่มีเมืองพอนี่คือเรื่องของกิเลสมันให้คนเป็นสุขเพราะเรื่องของกิเลสที่ไหนมีเอาเอาว่าสิบ้านปลูกไปจากประมาณสักกี่ร้อยชั้นเอาปลูกไปสี่นั่นหรือที่จะทาให้คนเกิดความความความสุข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 อคิเลตประเภทที่โลกเขาใช้กันอยู่ดาดดือนเต็มโลกเต็มฐานนี่มาใช้ในหัวใจเราก็าจะมาเผาหัวใจเราหาความพอดีไม่ได้ดิ้นดีดอยู่เหมือนกับสุนัขที่เรือนเอาความสุขมาจากไหนเราก็เห็นมามสุนัขที่เรือนนั่งที่ไหนมันก็เกาจะหมัดเกาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะมันดิน้นมันอยู่เป็นสุขไม่ได้มันคันมันก็เกานิจิตมันมันคันก็เป็นอย่างนั้ น, น, นแหละเกาอย่างนั้นแล้วเกาอย่างนี้ยุ่งกับสิ่งนั้นและยุ่งกับสิ่งนี้ หาที่ควรจะใช่สงบมันไม่สงบเพราะหัวใจไม่สงบมันพาดิ้นก็ต้องดิน้นยุ่งไปหมดโลกเหมือนทรรมเหมือนโลกพระเหมือนบ้านบ้านเหมือนพระหรือยู่วัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดโยมเหมือนพระพระเหมือนโยมไปเลยเอาอะไรมาเป็นสารสําคัญที่มีแตกต่างกันถ้าไม่วัดกันด้วยข้อปฏิบัติตามศีลตามธรรมไม่วัดกันด้วยทางใจที่มีความสงบเย็นใจและความปังสใยความสงาม่างงามและความกระจ่ า, จางแจ้งภายในจิตใจ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 เพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อจิตใจซึ่งเป็นรากฐานสาคัญ น, นี้จึงเป็นของสําคัญมากที่สุดเมื่อปฏิบัติต่อจิตใจให้มีความรอบคอบมีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งทั้งภ า, ายนอกและภายในแล้วนี่แหละจะเป็นผู้ทรงความสงบเย็นใจไว้ได้พระก็เย็นใจอยู่ในป่าในเขาที่ไหนเย็นใจมีไม่มีไม่สําคัญความเย็นใจคือสมบัติทันล้นค่าแล้ว โลกก็รู้จักประมาณในการประพิปฏิบัติตัวเองการกินหยุดใช้สอยไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ฟุ่มเฟือเหมไปตามน้าของจิตซึ่งเป็นเรื่องที่จะขนฟืนขนไฟมาเผาตัว ต, วอตลอดเวลานะมันดีที่ตรงไหนตรงนั้นไม่เห็นมีทางดีเลยถ้าจิตมีประมาณมีความพอดีแล้วก็สงบเย็นใจได้สบายได้คนเราถ้ามีทำไปปรปฏิบัติอตนี้มันไม่มีทำล่ะสิความโลกเป็นธรรมเมื่อไหร่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 แล้วเอาความสุขมาจากไหนด้วยความร่มโมเช่นนั้นนี่ก็เหมือนกันเพราะความโลภมันพาลงครองแล้วเอาความสุขความสบายมาจากที่ไหนแล้าจะไปไปตื่นสิไอตื่นเหล็กตื่นหินตื่นซายตื่นอิดตื่นปูนตื่นไม้เหล่านั้นมันมีเต็มโลกเหยียบอยู่นี่ก็อิดปูนหินท้ า, ายไม้ทั้งนั้นเนี่ยเดินไปไหนก้าวไปไหนไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรองรับฝ่าเท้าแล้วเราเดินได้ยังไง มันเต็มไปหมดตื่นมันอะไรเห <_ T. S 1> เล็ดฟังที่เลหล็ดตื่นหาทายพิจารณาให้คล่องตัวที่นักปฏิบัตินี่เราสอนนักปฏิบัติให้มันคล่องตัวทุกติ่งทุกอย่างเมื่อคล่องตัวแล้วรอบตัวแล้วอยู่ไหนอยู่ได้ใช้อะไรใช้ได้สบายๆพอ่อเหมาะพอดีกับหัวใจที่พอดีอยู่แล้วนั้นหาความทุกข์ไม่มีไอ้ที่มันเลยเถิดนั่นสิมันเลยประมาณนั้นทีมันออกนอกรูน อ, อกทางแล้วออหาของทุกข์ทั้งนั้นแหละ ไม่มีคําว่าหาความสุขถ้านอกเหนือจากธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้ใครจะหวังว่าเอาความสุขจะได้ความสุขเลิศเลอ ม, มาจากไหนมากแข่งศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งบรรตายมันมันก็ตายไปด้วยความทุกข์ความทรมานของผู้ที่ต้องการแข่งอย่างนั้นนั่นแหละจะเป็นอะไรที่ไหนไปนี่ก็กิเลสกับธรรมแข่งกันอยู่ในหัวใจเหล่านี้เรารู้ไหมเวลานี้มันแข่งกันเรื่องอะไรบ้างเราไม่ได้ดูบ้างเลยหรอ นี่ยระหว่างกิเลสกับธรรมแข่งกันอยู่ภายในนี้มีแต่กิเลสชนะชนะชนะธรนะรมแพ้อย่างราบแพ้อย่างมอบราบหมอบรา บ, บ, ราบก็คือใครถ้าไม่ใช่คือผู้ปฏิบัติเ่านี่จะเป็นใครไปถ้าอยากจะเห็นชัยชนะของระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันเห็นชัยชนะของธรรมต่อสู้กิเลสฟาดฟันกิเไปเอา ล, อาลี่เอาลงไปสิสติปัญญามีเอาหุงต้มแกงกินได้หรือพระพุทธเจ้าใช้ฆ่ากิเลสฟันกิเลสห้ําหผันกิเลสจนมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือ ซากมันติดอยู่ในพระไัยเลยนั่นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะสติปัญญาสตาความเปลี่ยนนี้จะเป็นอะไรที่ไหนไปออิดปูนหินสานี่มีที่ไหนไปนข้าที่เลสตรงไหนพิจารณาสิตื่นอะไรนั่กปฏิบัติมันเห็นอยู่ภายในจิตใจนี่มันสว่างโล่งอยู่ทั้งวันนั่นคือไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยเมื่อได้พิจารณารอบเป็นกันหมดแล้วเป็นหลักธรรมชาติอะไรเข้ามายุ่งไม่ได้เลยนั่นฟังสิ แม้จะยังครองล่างอยู่คือรูปประคันได้แก่ร่างกายนี้ครองล่างก็ตามรูปก็เป็นรูปเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์อะไรมันก็มีเป็นธรรมชาติมันแต่ไม่เข้าไปแตะจิตได้ไม่เข้าไปยุ่งกับจิตได้เลยเป็นหลักธรรมชาตินั่นทำมันรอบอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติมันสง่างามมีตราบเวลาอะไรจะสง่างามยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์ที่มุดหลุดพ้นเพราะการประพฤติปฏิบัติทองตนด้วยความเอาเป็นเอาตายจริงๆตามธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนสมกับว่าพุทธทางธรรมสง่างามสันาิาฐานมีจริงๆ ไม่ได้มีแต่เพียงว่าพูดแต่ปากนะตัวขี้เกียจขี้ข้านในขี้เดือดเยียบหัวอยู่ตลอดเวลามันไป็เรื่องอะไรผู้ปฏิบัติพากันนํางไปพิจารณานะที่พูดเหล่านี้อย่าให้เป็นมานของศาสนาอยู่ประจําหัวใจตัวเองตัวเองนะมันเป็นอยู่เวลานี้เพียงั้นมานของศาสนามันอยู่ที่ใจมันทำลายตลอดเวลาทําลายหัวใจ ทำท่านมาเลิศนะเหตุกับปฏิคือการปฏิบัติก็ถูกต้องดีงามเพื่อความเลิศในผลแห่งธรรมทั้งหลายนะแต่เราไม่ปรากฏทั้งเหตุก็ไม่ได้เรื่องใดลาทั้งผลก็ไม่มีวีว่แวบบ้างเลยเราหวังอะไรอยู่ไม่มีความหวังมีความหวังแต่ไม่มีอะไรสมหวังมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พิจารณาดูถ้ามันเต็ม ตื่นไปด้วยความภูมิใจเพราะผลเป็นที่พึงใจได้เต็มเม็ดเต็เมหน่วยหรือสมบูรณ์แล้วในหัวใจเรานั่นเอผู้ปฏิบัติสมกับพระองค์ท่านประธานพระว่าดไว้ด้วยความเมตพระเมตตาจริงๆผู้ปฏิบัติปฏิบัติสนองความเมตตาขององค์จริงๆปรากฏจนกระทั่งถึงปรากฏผลขึ้นมาเต็มหัวใจจะของจริงแล้วทำไมจักไม่กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบละ่ะ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 พระพุทธเจ้าชั้นใด น, นี้ก็ชั้นนั้นนัดรับกันตลอดเวลาร้100 mm hmm. อยเปอร์เ็น้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะศาสานาธรรมท่านเป็นอย่างนั้นผลมีอย่างนี้ได้อามาโชว์ได้สิไม่มีใครโชว์ก็โชว์กับเจ้าของเลยสิ mm hmm. เลิศเลยอยู่กับเจ้าของอืมพอที่จะแนะน mm hmm. ําสั่งสอนคนอื่นได้มากน้อยเพียงไรก็อสอน mm hmm. ใครจะประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรก็ให้เป็นเรื่อง ก, กรรมกรรมมรยมหรือวาสนาอํานวยของผู้นั้นมากน้อยเพียงไรเท่า น, นั้นส่วนเจ้าของไม่ขาดทุนศูนย์ดอกไปไหน เตมที่เต็มฐานอยู่ภายใจิตใจนั่นทันที่เรียกว่าบรมมาสุขบรมมาสุขเรามันมีแต่ความคาดเว่าบรมมาสุขเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้ไปวาดภาพระาจนจะเป็นบ้าะทั้งๆที่ไม่ไม่ได้ถูกต้องกับบรมสุขและไม่เห็นบรมมาสุขนั่นเลยว่าเป็นอย่างไรให้มันเห็นในจิตทั้งเจ้าของที่ว่าบริสุทธิ์เป็นยังไงพระมนิพนธินิพนธ์เป็นยังไงบรมมาสุขเป็นยังไงเมื่อมันเห็นได้แล้วไม่ถามถามใครทาไม มันเต็มที่เต็มฐานแล้วถึงว่าไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี่ไม่ถามฟังสิสิ่งทั้งหลายได้ถามกันทั้งนั้นอันนี้ไม่ถามประจักษ์นี่เอาละการแสดงธรรมก็สมบรณ์ควรพูดมานานกันหน่อย